4 ตุตตวรรคสิกขาบทที่ 6 ว่าด้วยการอยู่ครุกคลีกับคฤหัสถ์เรื่องภิกษุณีจันทกาลีสมัย ฉะนั้นแม่เจ้าจันทกาลีจึงอยู่ครุกคลีกับภคบดี ภิกษุณีจันทกาลีอยู่คลุกคลีกับคหบดีบ้างบุคคคบดีบ้างจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูล หรือทําคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมกับคหบดีหรือกับบุคคคบดีนั้นอันภิกษุณี สงจบ สิกขาบทวิภังคำว่าก็ใดคือ ที่ชื่อว่าบุคคบดีได้แก่บุตรและพี่ชายน้องชายคนใดคนหนึ่งคําว่าภิกษุณีนั้น สงย่อมสนับสนุนการแยกกันอยู่ 2 พึง 3 ถ้าเธอสละได้นั่นเป็น น้องหญิงจองแยกกันอยู่สงฆ์ย่อมสนับสนุน พพูชโล alia สามารถเพิงประกาศให้ส Обติ ที่นี่ต้องที่ทุกรัมมะวาจาวว่าแม่และเจ้าขอสงของฟัง ข้าพเจ้าเธอยังไม่สละเรื่องนั้นบ้างเธอยังไม่สละเรื่องนั้นสงฆ์สวดสมณภาพภิกษุณีชื่อนี้เพื่อความ สงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความ 2 ตัวจบกัมมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัติ กรรมที่ทําถูกต้องภิกษุนี้ไม่แน่ใจไม่สละต้องอาบัติปาจิตติกรรมที่ทําถูก อนาปัตติวาระภิกษุณีคือ 1 อนภิกษุณี 2 ภิกษุณี 3 ภิกษุณี 4 ภิกษุณีต้น 6 จบ 4 โตวตวัคสิกขาบท 7 ว่า สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระ เชนัยภิกษุณีจึงเที่ยวจาริกไปไม่มีกรองเกวียนเป็นเพื่อนในพวกภิกษุได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติศึกษา ภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุณีเที่ยวจาริกไปไม่มีคอง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 ปรากฏที่ยืนปรากฏที่นั่งปรากฏที่นอนของพวกโจรที่ชื่อว่ามีภัย เที่ยวจาริกไปในป่าคือ 1 ภิกษุณี 2 ภิกษุณี 3 ภิกษุณี 4 ภิกษุณี 5 ภิกษุณีต้น สิกขาบทที่ 8 ว่าด้วยการเที่ยวจาริกไปในที่ที่น่าหวาดระแวงภายนอก บรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตําหนิประณามโผนทนาว่าไฉนพวกภิกษุณีจึงเที่ยวจาริกไปไม่มีความเกรงเป็นเพื่อนในที่ที่รู้กันว่าน่าหวาดระแวงมี ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค ฉะนั้นพวกภิกษุณีจึงเที่ยวจาริกไปไม่มีความ ในที่ที่รู้กันว่าจบสิกขาบทวิภังคําว่าก่อใด คำว่าภายนอกรัฐคือในรัฐของฝ่ายอื่นนอกจากรัฐที่ที่ กวนกองเกวียนคำว่าเที่ยวจาริกไปเธอเที่ยวจาริกไปไม่มีหมู่บ้านต้องอาบัติปาจิตติทุกๆตนโยธ 2 ภิกษุณีไปในสถานที่ปลอดภัยไม่มีภัยน่ากลัว 3 ภิกษุณี 4 ภิกษุณี 5 ภิกษุณีต้น 8 จบ 4 ตัววัตตวรรค 9 ว่าด้วยการ ครั้งนั้นนั้นพวกภิกษุณีพากันเที่ยวจาริกไปว่าไฉนพวกภิกษุณีจึงเที่ยวไปภายในพรรษาเหยียบย่ําหญ้าเขียวและหญ้าเบียดเบียนชีวิตซึ่งมีอินทรีย์เดียว ในไหนพวกภิกษุณีจึงเที่ยวจาริกไปภายในพรรษาเหล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสมบัญญัติสิกขาบทลําดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสมเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่า ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระ ภิกษุณีใดเที่ยวจาริกไปภายในพรรษาต้องอาบัติปาจิตตีย์เรื่องภิกษุณีหลายรูปจบสิกขาบทวิภังคำว่าก็ใดคือผู้ใด คำว่าภาย 3 เดือนหรือ 3 เดือนคำว่าคือเที่ยวจาริกไปในหมู่บ้านมีกําหนดระยะชั่วไกล คือ 1 ภิกษุณี 2 ภิกษุณี 3 ภิกษุณี 4 ภิกษุณี 5 ภิกษุณี 9 จบ 4 ตุวัตตะ 10 ว่าด้วย สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระ ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินชาวบ้านตำหนิประณามพลธนาลำดับนั้นภิกษุณีเหล่านั้น โดย 10 ประการคือ 1 เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ เรื่องภิกษุณีหลายรูปจบสิกขาบทวิภังคำว่าก็ใดคือผู้ภิกษุณีมีอธิบาย ภาท่อธุระ 5 6 โยชน์ต้องอาบัติปาจิตตีอนาปัตติคือ 1 ภิกษุณีไม่ 3 ภิกษุณี 4 ภิกษุณี สิกขาบทที่ 10 จบตุวัฏฐวรรคที่ 4 จบค่ะจิตตคารวรรคหมวดว่า 1 ว่าด้วย สมัยนั้นอยู่ณพระเจดวันหารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขครองสาวถีที่พระราชอุทยานของพระเจ้าประเสริฐโกศลมีการแสดงภาพ ฉะนั้นพวกภิกษุณีจึงไปดูหอจิตรกรรมเหมือนหญิง ทรงประชุมสมบัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับ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 คำว่าก่อใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มี พอที่ที่ 1 เพื่อให้คนทั้งหลายชมเล่นรื่นเริงที่ชื่อว่าสวนสาธารณะ 1 เพื่อให้คนทั้งหลายชมเล่นรื่น ภิกษุณีเดินไปเพื่อจะดูต้องอาบัติทุกกฏ 2 ภิกษุณี 3 ภิกษุณี 4 ภิกษุณี 5 ภิกษุณี 6 ภิกษุณีต้น 1 จบ 5 จิตตคารวรรคสิกขาบท 2 ว่าด้วยแฟน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขครองสาวทีครั้งนั้นภิกษุณีทั้งหลายใช้ตั่งยาวบ้างแท่นบ้างคนทั้ง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 ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริง ก็ภิกษุณีใดใช้ตังยาวหรือแท่นต้องอาบัติปาจิตตีย์เรื่องภิกษุณี ที่ชื่อว่าตั่งยาวพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงคือ 1 ภิกษุณีตัดเท้าตั่งยาวแล้ว 3 ภิกษุณีวิคคนจริต 4 ภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบท 2 จบ 5 จิตตาคารวรรคสิกขาบท 3 ว่าด้วยการครอได้เรื่อง คนทั้งหลายเที่ยวจาริกไปตามวิหารเห็นแล้ว พวกภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาค ฉะนั้นพวกภิกษุณีฉัพพคีจึงกล่อได้เล่าภิกษุทั้งหลายการกระทําอย่างนี้มิได้ทําคน คำว่าก็ใดใดผู้เช่นใดว่าก็ใดคําว่าภิกษุณีมี 6 ชนิดคือได้ไหมได้ขนสัตว์ คำว่ากรคือกรเองต้องอาบัติทุกกฎในขณะที่กรต้องอาบัติปาจิตตีย์ 3 ภิกษุณี 4 ว่าด้วยการช่วยทําการขนขวาย ครั้งแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบผู้ภิกษุได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุม พระผู้มีพระภาคพระว่าภิกษุทั้งหลายไฉนพวกภิกษุณีช่วยทําการขวนขวายเพื่อคฤหัสถ์เหล่าภิกษุทั้งหลายการ เรื่องจบสิกขาบทวิภังคำว่าก็ว่าก็ใดคำว่าภิกษุณีมี จักผ้านุ่งหรือผ้าโพกเพื่อคฤหัสถ์ต้องอาบัติปาจิตตีย์อนาปัตติวาระภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 5 ภิกษุณี 6 ภิกษุณีต้น 4 จบ 5 จิตตาคารวรรคสิกขาบท 5 ว่าด้วยการไม่ช่วยระงับอธิกรณ์ ภิกษุณีรูปหนึ่งเข้าไปว่าแม่เจ้าโปรดมาช่วยระงับอธิกรณ์นี้ด้วยเถิดภิกษุณีถุลลนันทารับปากแต่ไม่ช่วยระงับไม่ขวนขวาย ระปากแล้วแต่ไม่ช่วยระงับไม่ขวนขวาให้ผู้อื่นช่วย แม่เจ้าโปรดมาช่วยระงับอธิกรณ์นี้ด้วยเถิดรับปากแล้วแต่ไม่ช่วย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 ตัณหาบัดปาจิตติเรื่องภิกษุณีทุลนันธาจบสิกขาบทวิภังคำว่าก่อใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่ ที่ชื่อคือ 1 วิวาทาธิกรณ์ 2 อนุวาทาธิกรณ์ 3 อปัตตาธิกรณ์ 4 กิจจาธิกรณ์คําว่าแม่เจ้าโปรด คือไม่ระงับด้วยตนเองคําว่าไม่ขนขวายให้ผู้ <mund> ไม่ขวนขวาให้ผู้อื่นช่วยระงับอธิกรณ์ต้องอาบัติปาจิตตีย์อุปสัมบันภิกษุณี อนุปัสสบันภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎอนุปัสสบันคือ 1 ภิกษุณีไม่ระงับในเมื่อมีอันตรายอนอนอนอน 2 ภิกษุณี สิกขาบท 5 จบ 5 จิตตาคารวรรคสิกขาบท 6 ว่าด้วยการให้ของเคลียว พวกพวกมายากลบ้างไม้กล่าวว่าบ้างพวกมายากลบ้างพวกตีกลองบ้างกล่าวว่าพวกท่านจงว่าภิกษุณีทุลนันธาเป็น พวกท่านจงถวายจงกระทําสักการะแก่เธอบรรดาภิกษุณีผู้มัก ลำดับนั้นพระผู้มีภิกษุทั้งหลายภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้ การกระทําอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อม คำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้นี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสบ้านได้แก่บุคคลผู้ใดผู้ ยกเว้นภิกษุและสามเณรที่ชื่อว่าปริพาชิกาได้แก่นักบวชหญิงคนใดคนหนึ่งที่ชื่อว่าของที่เหลือชื่อว่าของเขือที่ชื่อว่าของฉันได้แก่โภชนะอย 5, 5 อย่างคือข้าวสุกขนมสดข้าวตู ด้วยของเนื่องด้วยกายและด้วยคือ 1 ภิกษุณีใช้ผู้อื่นให้ 2ๆ4 ภิกษุณีให้ของ จก 5 จิตตาคารวรรคสิกขาบทที่ 7 ว่าด้วยการใช้ผ้า ภิกษณีผู้มากน้อยพาก todos พรณามพวนธนาว่าฉะนายแม่เจ้าธุครั้นแล้วภิกษณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบผู้ภิกษุได้นำเรื่องนี้เป็นกร satellite พราบทนประพูยมิประภาคให้สงสาร์ สุนีย์ถุลนันธาใช้ผ้า แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุนิจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็คำ นี้ที่พระผู้มีพระภาค 2 3 คืนแล้ว 4 ยังใช้อีกไม่ยอม ภาственที่ยังไม่สระ พิกษูนีสำคัญว่ายังไม่สระใช้ ต้องอาบัตรปACEจิต ตี ภาственที่ยังไม่สระ พิกษูนีไม่แน่ใจใช้ ต้องอาบัตรปACEจิต ผ้าที่สละแล้วภิกษุณีสําคัญว่าสละแล้ว 1 ภิกษุณี 2 ภิกษุณี 3 ภิกษุณีใช้สอย 4 ภิกษุณี 5 ภิกษุณี 8 ภิกษุณี 7 จบ